เพ อ, อวัดปฏิบัตินั่นแลจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไมเหมือนจิตของคารวาสเขาคารวาสมันมีร้อยแปพันประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวิญญาณ ไ, ไม่มากจนเหลือกําลังแต่ส่วนมากพระเรา ปฏิบัติไม่ได้จริจราภาพปฏิบัติไม่ได้<ม>ก็มีเศร้าใครจะปฏิบัติให้ได้กอวัดปฏิบัติบวดเข้ามาเอาความมาักง่ายออกหน้าออกตามันก็ไม่เลยเรื่องอะไรถ้าเอาทาออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญา มีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีางามตห้จต้นเลือกซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่ไนไร เอาทาออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม่ผิดด้่ความถูดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี้เกียจขี้ค ร, รานออกหน้าความบ่นแอบออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิยาอาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกะละกะักกั การขบการถันพระขบถันต่างหันอะไรต้องสวยมาตามเจตพียวัดท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจก็ปรบับอัยเนี่ยกินก็เป็นโทษน้่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแล้วมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเรา รรมโทกษก็คือไม่มีสติสตางลมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกการใดไม่รู้ศูนสีุ่นห้าโอ้ทุกหนึ่งความสวยงามทางมายากความเคลื่อนไหวเป็นมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระท้่ได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมในในของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้ แต่ถ้าไม่นงพาแล้วกับพระน่นากเกลียดที่สุดว่าจะกลัวทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปนเชียอย่าง น, นี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วๆไปพระเป็นผู้รักษาไายบรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายใ น, นไม่เหมือนารวาสเขา ถ้ามีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจมมีสติแล้วกินยามรยาิการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเปนผู้แสดงออกทางมรยาดคำพูดคำจาความแข็งแกรก็สวยงามทำอะไรก็น่าดู ทำมันเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนะนิสัยมันง่ายนิสัยมุมมามตะกรามอะไแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไวแต่ต้นแก้ยาก็นนิสัยไปแล้วเลยไม่สนใจเลยเละเทอะไปหมดเลยอาจสถานที่ใดก็กำลังเสียด ก็ไม่น้ามีการฝกฉันทั้งที่ระเบียบทางการปึกฉันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบยิ่งนัยเป็นไปตามนี้แล้วจะไม่น่าดูได้แยังไงเราฝึกยราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลส ต้องฝึกตนใส่ธรรมเรื่องธรรมมาฝึมาฝ่อหัดตนมันยังเปน่นาดูการฉันหมจะทำคำใหญ่เกินไปจนแร่งตุยเห็นว่านิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นภระก็มีนิสัยเอานิสัยดูมาช้ามันไม่น่าดู เราตามเอาเราตามหลักธรรมด้วยในว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของฆราวาสอันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยฆราวาสมาใช้ไม่ได้ต้อนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีดนในผู้ศึกษาธรรมดีในจริงหน้าดู การขบการเชี่ยวมันม่ันดังเสียงกุ้มข้ามกุ้มข้า ง, างคนอื่นฟังจนลำคาญหูแต่ปากกับหูแล้วพอจะแข่งมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินพราะรถอาหารมันเหยียบย่ทำทาลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเชียยวจะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันดำคาญเรานี่การทันในบาทไม่เหมือนฉันทันรับ ไปทำแบบถนับมนไม่ได้ถต่ส่วนมากท่านนิยมถันมือเดียวมันจะท่านจันมั่นเป็นหลักสำคัญถันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้ยอยู่ในบาจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่ า, น, มาม น, น, น, นี้จะไปนั่ม้วนม้วนม้วนนิยมข้งหน้าขง้ขงบนบา หายคือของมมีอะไรันเขาเห็นโมอะไรใส่ในปากไปเขาเห็นโมวางไเพราะความซื่อความเพลินในรถไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบากเวลาจะฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมด ซึ่งเป็นปีจิตญาไม่ดีเห็นเห็นที่แย่คนชั่วเห็นที่น่าเกลียด น, น่าเอือมน่าอาอันนี้เราเคยสอนพระเสมออันนั้นสดซ้ายสดขวาเห็นแก่ดิ้นแก่ปากเห็นแก่รถแก่ชาไเห็นแก่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้น ต้องการความอ ร, อร่อยของรถอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของทำนั้นรถอาหารก็เหยียบย่าทำลายธรรมอาหาขณะที่ฉันก็ทำลายธ ร, รรมเป็นชาติสิกต่อธรรมวิธรรมวลาเป็นชาติสิกต่อวินัยวิเรามีิลาหาความดีไม่ได้ความไมมีสักนั้นหละเป็นของสําคัญ นั่จะไม่น่าดูเลยที่าการมามากของมากของถ้าเข้าไปกัมงมากมาเนเลอะเทอะนะสืมสมามันเป็นได้ไม่ว่าอะไรสัมมามันเฟอ้อเงินเฟอ้อเป็นต้นไม่น่าดูาทุกวันนี้มนุษย์เฟอ้อ คากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาอะไรผิดใจกั น, นิดหนึ่งค่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งค่ากันแล้ว ม, มันเฟอ้อผิดใจกันนับวันโหดร้ายเป็นตุลาเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสินใจค่าผู้อื่นเะราถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องอ วความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของดีเลดทาให้ทําจนในรู้สึกตัวว่าสิ่ง น, นั้นผิดเพื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทําเขาได้ลงคอหรือเป็นความดีนี่มันตรงเงินฆ่ามันเกลียดกับทำดีเลดถ้าได้สังหารไะทําลายใคร สูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาพไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความสมูงภาพและร่มเย็นกันยิ่งกว่าทราเสมอภาพคันหมดให้อภัยตลอดตั้งสติบบีป็นชานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขา เห็นใจเขาใจเราเห็นด้างเขาของเราชีวิตของเขาขเราเราอย่างนั้นนะครัแผ่เมตตาจิตเจอบรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันมีใคร ย, ยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีเท่เท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้า ใจขาดทำใจก็โหัวด้ชาลุ่ความโลภ ก, ก็มากน้ำวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นเรื่องโอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุวันทุวันความโกรธก็มากราคาตั้หาขอ้อครอบผูน ความดูมเนื่อดูดตัวองมากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสดปตกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากด้วยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครไปได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูซ่ถ้าธรรมของพระเจ้าจลัดไว้ผิดไป ใครเคยได้ความสุกความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตันหากรากไม่เห็นมีที่ไหนม็นจะเป็นไฟไปได้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเห่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบงังค่ามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประการดีเผามนุษย์เดียวนะผู้ส่งเสริมมันมันก็เหยียบย่มันไป จิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทาให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความตรุงอันเป็นเรื่องของพิเลศแฝกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุพให้ภายในจิตใจได้ไม่าวความทุกข์เช่นเดียวกับภารวะเขา ท่านเปนสน็สอนให้ปราบสอนให้รับสอนให้ฆ่ากิเลสเห็นโกทางคัตตวาสุ ข, ขังเสตติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นถ้าไม่ได้บอกว่าส่งเสิร์มความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านไม่คนโกรธมากคนโลภมากคนราคทันหานมากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกนั่นเอง ทุกมีอคไรรับเมาอมอบผมหาความสุขไม่มเราอยากเขา้าใจว่าคนมีเงินเป็นร้านๆจะมีความสุขอยาเข้าใจว่าปกเสด็จถีเป็นพีจะมีความสุ ข, ข, ส ข, สขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะ ก, กลายมาเป็ น, นปืนเป็ไปเผาเจ้ของไม่ทั้งเป็นนั้นแหละเป็นปืนเป็นไฟภ า, ายในจิตใจ มันมีใครที่จะรู้แจ้งจริงในโทษและคุณของสิ่งตรงนี้ได้ยิ่งกว่าปุทธเจักรอันเห็นโทษเต็มพระไทยแล้วจึงหนึ่งสั่งสอนบรรดาสัว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรับย์สบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วย สิ่งตรงนี้ธาตุขันเราอยู่ด้วยสิ่งงนี้จะขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการเสือห า, อานี่นีเ้เก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยาวนำมาเลงกีบของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการเสือหานั้นๆส่วนมากาไม่เป็นอย่างนั้น ปีน แ, วแวบวกแนวหลอดเวลาจิตใจของโลกของคนจะหาความสุขยังไงเจอเวหาที่ทั่วทั้งโลกโลกอันนี้อดูนี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่และประเทศมีคนจำนวนสกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมด้าปรฐานว่าใครจะมีความสุข จะไม่เจออยากจะพู ด, ดวยนแม่รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีธรรมเป็นเครื่องปฏิปรองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมแม้ว่าคนทุกคนจนคนมีคนท่าร่รนแรกแต่แบบทุกเพราะความมีความเป็นของตนทท้านั้น ผู้ปฏิบัติทำแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับคงข้างความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยในโลกอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สําคัญการปฏิบัติตัวเองให้ใหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศิกตามวิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนามาเป็นความสุข แต่พออย่างยิ่งครับเดังนักปฏิบัติเรานี่ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจําเป็นเป็นต้นเหตุหรือเป็นโนบางหน้าเหมือนหนังโลกเขาทั่ ว, วไปความจําเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่ยเดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใด พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไม่หมดแล้วถ้ามนทีเกียรติอ่อนแอเสียอย่างอยู่วิญหานแจกิเลสมากกว่าหินแจกทธมต้องดำเนินตามหลักธรรมของเว้าได้เนไม่เป็นสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนก็จนติดปากติดคอ แต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบั ต, ติของตนได้แม้ทั่วขนาดหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่มามใดล่แบบแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้จนหัวใจที่เหลืไม่ลดน้อยลงแม่นิดนมีหลังส้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัว ใ, ใจนนั้การปฏิบัติธรรมต่างหาก เมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราีก็คือการเดินตรงกรมนั่งสมาธิพอนมีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวสมออารมณ์อะผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้ว ต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประกันไปจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรือรวเป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกําลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องขึกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจ มัตตาวังรักษาจะมีกําลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าสิกเมตติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราเป็นเลี้ยงดูเลี้ยงคอยท้องไร่ห้องนาแล้วนี่ต้องการจะไล่เขาคอกเมื่อไรก็ไล่มาไล่ให้เหมือนที่<ไ>ปล่อย <Course S 1> มันไปตามอําเภอใจข้างมัน ไม่เท่าตอนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ต้างไปที่ไหนแห่งหมูต่ตําบลใดไม่ผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอาเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากโอกปล่อยสัตว์ทานะออกจากโอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนําติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีโดนผ้ราไปกินก็เงียบกว่าจิตที่อยู่ในความรักษาของเะของด้วยสติที่แล้ว จะสงบเพราะง่าย hmm. เพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องผิดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพืชเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทําให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิชนบิขึ้นในตัวของเราอจําได้ทั้งชื่อ เห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความกลิ่นคือสมาธิสงบบ้างน้นอยเย็นไปก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแค่อยู่ที่จิตความจําแค่อยู่ที่สัญญาสมาธิแท่อยู่ที่จิตสัญญาก็พิจารณาเนีย่ยเนี่ยดูภายนอกภายในมันเป็นไปด้ของปฏิกูลโสโค ท, ทุกครั้งหนาตามแบบแต่กองทุ ก, กันทั้งมันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกไม่เจอทุกไม่รู้ทุกตามความจริงของมันทางปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรง ไ, งไหนน่ะมันต้องรู้มันมากกว่าน้อยการาเกิดตายก็คือการแบกขามทุกอยู่ตลอดเวลา น, นั่นเอง เกิตามากี่พบกีชาติก็หามทุกมาเท่านั้นพบเท่านั้นชาติแบลบ็ามกันมาทำให้เบื่อนหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ควรจะจำหนิติเียนทุกไม่ควรจะบนะของว่าเป็นทุกข์องนี้เราไม่ต้องการต้องการจะแก้ไขวิทีไหน ต่อเป็นปัญญาก็จำได้แต่ยินในตำหนักตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีง่เหมือนควายหนักจําได้หมดในตำหญญนักตำราแต่ปัญญามีความฉลาดแล้ลมคมอย่างนั้นอย่านแต่ตัวผู้จํานี่โง่อเหมือนควายจังหวะความความโง้นั้นต่แช่กิเลสได้ดีกิเลสแหลมคมยิงย่งกว่า ออะไรจะแหลมผมยิ่กว่ากิเลสเพราะว่ากิเลสมันต่ําแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอีย ด, ยดได้น่ะบ้าไงสำ่รับกิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันดูได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตะทําเลซึ่งเป็นของละเอียดยิ่มก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึง จำแต่ชื่อแต่นามของกิเลกจำจต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาิมุติิมุตติยาทัศนะความจำกิเลกความโลภความโกรธความหลงโลภะ ม, มูลโทสะมลโมหสมูล กิเลสพันห้าท่นหาว่าแปดจำได้ทั้งมมันร้อยแปดที่ไหนมันร้อยมันร้อยปลอดคนมันกิเลสมันร้อยปลอดคนมัรู้หรอกิเลสมันอยู่ที่ใจนี้จำชื่อมันจะมีตลังมันจะไปหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำไปชื่อของมันมันมาแตะต้องกิเลส อนนันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนักถ้าเรามันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนที่เกียดอยู่คนอ่อนแอที่เหนื่อยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาให้คนเสมอที่เรียกร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องบลบนั่นซ่อนนอี่ ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟากดันไปเลประชาช น, นต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีไปืให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วที่เลืมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดก็เดินลงไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียว ในการปฏิบัติธรรมสทธาวิญญาแตันนี้เป็นเครื่องสนับสนุสนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็บังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีทำบุญไราบริกรรมรร ม, มันก็หลอกอย่างนี้ไปหมด บริกรรมอยู่เติมเตดพิดเฉยความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจั ก, กรวาลนันก็ไม่รู้้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำกรรมทงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเปลีญญ่นยนซอกแทกซิก ซ, ซ, ก ซ, ซ, กซัวดอุบายนิสัยของตนร ล, ลายๆะลายเพรยงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้ เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะท้าที่นิเคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันร้อยสรรพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยไหปัญญาพลิกกันทันทันทันเมื่อทันมาแล้วมันก็หมอบทินิออกอย่หมอบแล้วก็ขาดลงไปขาดลงไป มันเรื่องสติมันตามลงไปเลยพันลงถึงขั้นปัญญาชนุมาแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยมพร้อมันเพ้อเหมือนกันไม่ได้แยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วเรื่องปัญญาชนุมาที่แรกมัก็เป็นสติล้มลุกคลานไปแล้ก่อนแต่พึงเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่เปลือกขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรม ปัญญาเป็นสิ่งที่รวมให้มีมกําลังแกลกล้าทำสามารถได้โดยไม่สงสัยและขี้เหลือดูลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอนนานาจของสติปัญญาสตตาความเพียรนี้โดยไม่สงสัยเมื่อตันของมีความเพียรเกิดการเกิดตายนี่นน่าเอื้อมละอายเราอยู่กับโลกเกิดตายมาตั้เท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ เร่รอนเสือหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความถูกไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะอยูอว่าหาช่องไม่ได้เพราอที่มีความถุกความสบายมนนีการเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นลูกข้าณติอาชาตัสสะคู่ข้าชาติปุณปุณลเกิด บ, บ่อยๆเป็นทุกข์ไม่อยู่ คั่งนาทีอาชาตัดสัตผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีวิถุทุกไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นล่างเป็นภาชนะสมัครรับทุกทุกจะไปตกคั่งได้อย่างไรจะแทรกสิ่ได้ไม่มีภาชนะก็เหมือนอย่างโดนของออกไปอากาศนี่นไม่มีอะไรรับมันก็ตกล ง, งดินดินพาเป็นภาชนะ ว่าใสสติใสปัญญาตามนิสัยของเราไปอย่างปึกหัดคน้นคิดซอกแซ่ดด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับรทราบตลอดเวลาเจ็บจอเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็น เป็นวักเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิสมาธินี่มีแต่ความสงบสงบเนี่ลงไปเต็มที่งสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็ น, นามากเมาธิทำงานอย่างจริงไม่ใช่คุยนั่นราะมัสมาธิมันเป็นสมาธิเต็มไปถึงห้าปีมไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพาทหมเลยเลยเอา หายว่าเอาไม้ไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนเลยอเอาจิตที่เต็มเรื่องวิเลปัญหาวิชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลานไม่ถากไม่ถางไม่เลยเจอในสิ่งที่จอมปลองทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้ ว, วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั้นก็เป็นนิพพานไม่ได้ แตเมื่อสิ่ที่คุ้นควา้าลงไปนี่โอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเนี <ừ> um. ้ยเรามีแต่จิตนี้นี่เราจะเป็นยุภานนี่แหละจะเป็นยุภาเ น, นี่ยจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนการดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำํำมันเกี่ยวโยงมันอยู่กับขแขนงนั้นมั่งไม่สนใจตัดมีแต่จะดึงให้ลงข้าดเดียวมันไม่ลงนี่สูอุ้ปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับขแขนงนั้นมั่งมันถึงไม่ลงมันเกาะ อ, อยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลง ฟันกินนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงตูมลงถึงดินเลยเดียวเนี่ยจิตก็เหมือนกันคําว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมอกพิเรย์ไว้ทั้งหมดแต่อุปทานมันยึดไปหมดเลยในส่วนนั่งกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันตั้งห้ารูปมันก็ยึดดูแบบสมาธินั่นแหะ โดยธนาสัญญาตั้งฐานมีนานมันก็อุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกัมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดคุณนฝ้าเป็นเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายอ น, นี้ถึงรู้โอ้มันแท้ เพราะในที่รูป ก, กี่ท่านกี่ท่านาไม่รู้นี่เราต้องไปเห็นคุณค่าของปัญญามาแยกมาแยกไล่ที่เหลือมันฝังจมแล้ันออกไปเราไม่รู้เวทนาปัญญาญข า, านปัญาณเหมือนกันติด ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้น er ถึงแยกแยกได้เพียงสมาธิแยกแยกนั้นไ้แยกแล้วนั่งสมาธิปิดอย่างนี้พอคิดถอนขึ้นมาความทุกข์หลังหล้นก็ตาขอขึ้นมาเพียงครับสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักโค้นเลยจนม่มีทางไปเอ๋อทุกข์ขนาดไหนเราทีอายุ หิดมันค้นว้างของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกลางหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างการนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นด้วยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์เฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งจริงเนี่ยหนึ่งทุกเวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสอง ทุกเวทนาก็เป็นทุกเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอั น, ต, อ ต, อนต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายๆเพร า, าะไม่เข้าถึงกันนะี่ยานังขานอินยานีมมันก็นมารวมดีอันนี้นะยามความหมายนั้นหมายมันก็รวมพิจารณาในนี่ใดก็ตามทุกเรื่องขันห่านไม่ใช่เสียโยงถึงกันไปหมด ปัญญามสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเรื่อยจทั้งที่จิตล้วนๆ น, นั้นพอแก้กากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกเลมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งฝ่องใส ย, ยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยแม้เชนนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นเป็นกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ ความแบบปลบความันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วท่าจะเห็นความอิ่ของจิตอย่างเป็มพูนจิตแค้เป็นอย่างไร อ, อ๋อจิตแคบเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อจิตแคบเป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้นนแนนทันตั้งที่ไ<า>นิพพานเป็นยังไง ความบริสุทธ์อยู่ที่ไหนนิพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุท์ก็เป็นชื่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติรราตที่เป็นการแท้คืออันนี้แนะไม่สงสัยไม่เคยรู้ไปเห็นมาแต่ก่อนเป็ยอะไรต่างๆพอเขา้าพบกันอย่างจังๆนะั้นไม่มีทางสงสัยทั้งหมดสรรคิติกโกสันคิติโ ก, โกอันนี้หมายถึงว่าสันคิติโ ก, โกเต็มปูนสันคิติโกโดยสมบูรณ สันติโกมาโดยลำดับอๆนั้นก็โยกให้จิตทราบจิตเป็นสมาธิก็ทราบจีตพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับดับก็ทราบทราบมาเป็นระดับจิตมีความไม่ละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันติโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันติโกเต็มภูมิเต็มภูมินี่ปัญหาก็หมดคมามหาสีมหาปัญญา หมดหน้าที่ปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สาคัญตนมาท่านมีสติท่านเผลอสติท่านมาปรุงไปแต่งเพราะคําว่ามีส ต, นนนาาตินั่นก็เป็นสมมุติคําว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมุติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมุติทางนาม เพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสขึ้นเป็นสมุดด้วยกันเป็นสมุติทั้งฝ่ายมากเป็นสมุติทั้งฝ่ายสมุทัยมาตัดถอนสมุติภัยออกหมดโดยที่เชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปแม่เรียกว่าดำเนินมาแม้เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสเป็นสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสีย เวลาจะ่ า, ทา้าทำกฏใช้แกะกรองนี่อะไรอะไรรูปติเวลาจะตั้งรับขอบเรื่องอะไรทำกดตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกอ ธ, ธรรมดาเสียเท่านะั้มีเท่านะั้นถาจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับ เ, เสือที่ตายแล้วนะ<ะ>เล็บมันก็ยังมีเที่ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดร้ายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่าง อ, อันเป็นสมบัติของอเสือนั่นแหละมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นตายแล้วจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้ามันก็เป็นได้กลัวไอ้เสือได้กล้าไอ้ืออันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทํามันตรายไม่ได้ ความกล้าผหลานึงไม่มีความกลัวกงไม่มีคำว่ามีสติหรืไม่มีสติก็ออนั่นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติเป็นเรื่องของสมอมติยุ่งทำมาเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นเรื่องพอดีเหมาะสมท่า น, นมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีปติให้มีปัญญานี้ใช้เพื่อการเท่านั้นะนอกจาก ท่านมีเหตุเช่นเกิดอคติกรเขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนีงน้มันพระเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติปุรุฬะไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติปุรุฬะคือสติภายุบุญก็สติท่านวางสิท่ว า, วาความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันพายุบุญ ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติอุปการทั้งปวง ก, การฟ้องร้องอะไรอธิกรต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมุขมุขมันเข้ากันไม่ได้กับมุขของท่านปุรนณาหวานนั้นจิตนั้นเป็นมมุขแล้วเอาฟ้องประหะให้เป็นประโยชน์อะไรทางพุทธการต้องมีพระพุทธเจ้ายินดีสมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลังนั้น ข่าวไม้นีหรักธรรมขอาที่ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆยิ่งเละก็สดจนร้อนๆ อ, อ, อ, อยู่กับเราตัทุกวัน ม, มันลาสมัยไปที่ไหนยิ่งเละนะความโลภ ก, ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นยิ่งเละอยู่ตามธรรมช า, าติทั้งตนแต่ไหนแต่ไรมามันลาสมัยไปไหนอยู่ดี แล้วธรรมะที่จะมาแก้ทีเลสนี้จะล่าที่ไหนที่นี่ฝีสมาธิปัญญาสรุปความลงคือมัดแปดด้วยมัติมาปฏิปทาล่าสมัยที่ไหนกิเลนตาด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัติมาปฏิปทานี้ยิบหายไปจากใจจากประทัยพระริจายและสาวกทั้งหลายด้วยมัติมาปฏิปทานนี้ทั้งมแล้วมัติมาปฏิปทานนี้ทําไมจะล่าสมัยแก้ทีเลนไม่ได้ อมื่อกี่เหลวมก็มีอยู่ในปัจจุบันทำเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็าหาความรู้สึกไม่ได้คุณวส่วครับตัวพระกตาธโมูธรรมที่พระเจ้าแผ่ไว้ชอบแล้วหนักหินไมน่หลับรับรองนะปนิยานี่กตธรรม น, ำ, นำผู้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาด การโน้นทูลถามพระเจ้า่องค์เพราะว่านนฉลาดใช่ไหมพระว่าโน้นโง่ถามกันไม่ได้นะถ้าโน้นฉลาดมากเป็นรูปายวิธีดังทูลถามพระเจ้าเพื่อด้แง่ความคิดดังที่ดท่านเสียนในตลาดกำลังพาเมื่อพระองค์ปนิพพานแล้วนานเท่าไห ร, ร่รรคผลนิพพานมันจะหมดจะสิ้นไปนล้วทไมโน้ทูลถามโน้นโง่กี่ล่ะความ ทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัตติมาปฏิบัติธรมือมรรคแปดนี่เราสถาปสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมาผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแ น, นาแนมันคงอยู่ในมัตติมาปฏิบัติอยู่แล้ว ม, มาผลนิพพานเราหรือพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนุหนิแต่ถ้าไม่มีผู้สนใจ ปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมาผลนนิพพานเกิดเกิดแก่ผู้นั้นปฏิบาตไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเรือนเพราะกิเลสเมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่ขิ้นนะอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นถึงรบมันแล้วอธิบายอธิบายอย่านี